ช่วงที่อาตมาได้ไปประเทศอเมริกาก่อนหลวงพ่อคำเขียนเมื่อสิบเจ็ดปีที่แล้วนะปีสี่ศูนย์ก็มีช่วงหนึ่งได้รับนิ ม, มนต์ไปหมหาวิทายาลัยฮาร์วาร์ดนะเพราะว่ามีคนไทยเรียนหนังสือที่นั่นนะแล้วนะคนที่นิ ม, มนต์ก็คือหมอโกมากจึงเสถีรยรซับนะซึ่งตอนนี้ก็กลับมา ทำงานที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหมอที่จบเปรียญยาเอกด้านมนุษยวิทยาลูกสิกจะเป็นคนแรกของประเทศนะเรียนหมอแต่จบด้านมนุษยวิทยาหมอก็มาก็พาไปหาอาจารย์คนหนึ่งนะน่าสนใจนะคือชาลส์ฮาริเซ่บอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี mm hmm. ไปพบตัวก็แปลกใจเพราะว่ายังหนุ่มอยู่เลยนะอายุสี่สิบตอนนั้นนะ อาจารย์ชานี่ความรู้ด้านภาษาบาลีนี่ดีมากทั้งที่ไม่เคยมาเรียนในลังกาพม่าหรือไทยเลยนะก็เรียนที่อเมริกานี่แหละหมหาวิทยาลัยเพนซิลเวนเนียแต่ว่าความรู้นี่ยิ่งกว่าคนที่จบประโยคกล้าวนะของไทยสิตอนที่ไปเยี่ยมแกก็กำลังแปลคำพี บาลีของไทยนะคือสังคีติยวงคำพีนี้คนไทยจำนวนมากคงจะไม่เคยได้ยินชื่อนะสังคีติยวงนี้เขียนในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเขียนเป็นภาษาบาลีนะแต่ใช้อักษรขอมคนไทยสมัยก่อนนี่ความรู้บาลีก็ดีมากนะเขียนคำพีเป็นภาษาบาลีก็เหมือนกับที่ นักวิชาการคนไทยหลายคนเขียนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษแต่สมัยก่อนนี่เขียนบาลีนี่กันได้เยอะมากแก mm hmm. บอกว่าแกแปลสังคีติยวงศ์เสก็จะไปแปลมังคลาถิปนีซึ่งเป็นหนังสือที่พระเชียงใหม่เขียนเป็นภาษาบาลีเมื่อห้ากว่าปีก่อนสมัยนั้นนี่เชียงใหม่นี่ขึ้นชื่อมากด้านอาจารย์ที่เก่งด้านภาษาบาลี มังคลาตทิปนี้ก็เป็นเล่มหนึ่งนะแล้วก็จะแปลอีกหลายเล่มนะที่เป็นคัมภีรโบราณภาษาบาลีรวมทั้งอตอนนี้ฝรั่งก็กมาสนใจเรื่องนี้มากบางคนก็สงสัยทําไมไม่แปลพระไตรปิฎกนะคำตอบคือว่แปลกันไปเรียบร้อยแล้วอัตถกถาก็แปลเรียบร้อยแล้วคัมภีร์อย่างวิสุทธิมรักษนะก็แปลกันไปนานแล้วฝรั่งนี่ตลุยแปลคัมภีร์หลักๆนี่ไป จบไม่เหลือแล้วก็เหลือแต่คำภีชั้นลองๆที่เขาเรียกว่าดีกาอนุดีกาก็เลยมาจับคำภีระดับลองๆที่พระคนไทยเคยเขียนเอาไว้อย่างไตรภูมิกถานนี่ก็แปล ก, กันไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์ชาวนี่ก็น่าสนใจนะเพราะแกเรียกว่ามีฉันทาในด้านนี้มากทั้งๆที่ทไม่ได้ไม่เคยบวชพระแล้วก็ไม่เคย เรียนภาษาบาลีจากพระนะแต่ว่าก็อยู่อย่างสมถะเรียบง่ายเหมือนพระและความรู้ก็สูงกว่าพร ะ, ะที่จบประโยคเก้าคิดว่าในเมืองไทยนี้คนที่จะรู้ภาษาบาลีขนาดระดับเดียวกับอาจารย์ชาวริเซ น, นี่คงจะน้อยอันท้าย ก, ยกเจ้าคุณธรรมปิฎกเจ้าคุณพระพุทธนาพรไว้ท่านหนึ่งนะก็ไม่รู้ว่จะมีใครที่จะเทียบเท่ากับ อาจารย์ชาสริเซได้หรือเปล่าตอนนี้ฝรั่งเนี่ยที่สนใจแล้วก็มีความรู้มากเรื่องภาษาบาลีนี่เยอะทีเดียวนะที่น่าสนใจท่านหนึ่งก็คือพี่ขูโพธินะอันนี้เป็นชาวอเมริกันเหมือนกันพี่ขูโพธินี่เป็นพระแล้วก็ไปบวชที่อินเดียที่ลังกาเป็นลูกศิษย์คนโปรดของท่านยานาปนิกะมาเทระซึ่งเขียนหนังสือเรื่องหัวใจกรรมฐาน ท่านยาบรนิกานี่เป็นชาวเยอรมันนะมาบวชเมื่อกลางคนอายุสี่สิบแต่ว่าภาษาบาลีก็ถือวาอ่าเป็นยอดมากเขียนหนังสือเรื่องหัวใจกรรมฐานเป็นภาษาอังกฤษากภาษาก็ไพเราะทั้งนี้เป็นชาวเยอรมันก็ยังเป็นหนังสือที่ อ, อ่านกันอยู่ทุกวันนี้นะพี่ขรูบที่นี่ก็ เรียกว่าหันมาเอาดีด้านการแปลตอนนี้นี่ท่านแปลคัมภีร์ในพระไตรปิฎกนี่ไปได้เยอะแล้วแปลคนเดียวเลยนะสังยุตตนิยเนี่ยสังยุตตนิกายนี่นนอ่มันเป็นมันเป็นอ่าอ่าแปลสุตตันตปิฎกนะพระไตรปิฎกนี่มีสามนี่สาปิฎกนะอภิธรรมวินัยแล้วก็สุตตันตนปิฎก สุดตันตับิดกนี่พี่คูพอที่แปลไปได้เยอะแล้วทั้งมัชิมนิกายสังยุตตานิกายอังคุตรนิกายและตอนนี้เริ่มมาจับคุตตะนิกายแล้วนะเรียกว่ามีฉันทานแล้วก็วิริยะมากแล้วคุณภาพก็ดีด้วยนะสุดตันตับิดกนี่ของไทยนี่ที่แปลกันทุกวันนี้ก็หลายคนแปลนะหลายคนช่วยกันแปล ไม่ว่าของสยามรัฐไม่ว่าของมหาจุฬามหามากุฎนี่ต้องหลายคนแปลเรียกแปลเป็นคณะกรรมการเลยแต่ว่าพี่กุพัินี้แปลคนเดียวนะก็ตลุยแปลไม่เลื่อนนะส0บ0สิบยี่สิบปีมาแล้วแล้วก็ยังแปลต่อไปแล้วคุณภาพก็ดีมากเรียกว่าห า, าหาข้อบอกพร่องได้ยาก ของบาลีสยามของพระปฏิบดกฉบับสยามรัฐของมหมามกุฎอ ม, มาจุลานี่ยังยังเจอผิดเจอพลาดได้เยอะนะแต่ของพี่ขุโพธิ์ที่นี่แปลคนเดียวไม่ได้ใช้กรรมการภาษาก็สละสลวยข้อบกพร่องเขาก็ว่าาก็ว่ากันว่ามันหาได้น้อยแล้วก็แถมมีเชิงอัดนะจากจากอธกถามาประกอบด้วยมีคำอธิบายเชิงอัดนี่มากมาย เราเรียกว่าเป็นงานวิชาการและงานธรรมะไปในตัวอันนี้ก็น่าทึ่งนะว่าฝรั่งนี้ก็ทำได้ได้ได้ได้เต็มที่เลยเราประเทศเราเระบอกเราเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนานะของโลกแต่ว่าจะหาอ่คนที่รู้บาลีแล้วก็พุทธศาสนาในระดับเดียวกับฝรั่งอย่างที่เอ่ยชื่อมานี่ก็ยากนะเคยถาม ดรชาลว่าแล้วลังกาล่ะลังกาเป็นอย่างไรท่านบอกว่าลังกาในแต่ก่อนนี่มีผู้รู้เยอะด้านบาลีด้านพุทธศาสนาเขียนตำราภาษาอังกฤษเยอะแต่ตอนนี้ถ้าไม่ตายก็ ก, ก, ก็ก็แก่ใหม่ๆนี่ไม่มีแล้วเพราะว่ามันเกิดสงครามนะเกิดสงครามสามสิบปีแล้วก็พาก็เร่งการเมืองกันมากนะ พระมาสนใจเรื่องการเมืองเรื่องทางโลกเยอะท่านว่านี่พระที่มาสนใจบาลีเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นพวกที่เรียกว่าไปไหนไม่รอดแล้วก็มาเอาก็มาเรียนทางนี้คล้ายๆ้เมืองไทยเลยนะส่วนใหญ่คนที่เรียนภาษาบาลีก็เพราะว่าไม่มีทางไปจำเป็นต้องมาเรียนถ้ามีทางไปก็ไปเรียนทั้งโลกแล้วนะไม่มีทางไปก็มาเรียนบาลีแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนเพราะฉะนั้นก็เกิดปัญหาคือ เรียนแล้วเครียดแล้วก็มีการทุจริตในห้องสอบเยอะมากเยอะจริงๆนะการทุจริตในห้องสอบเพราะว่าไม่มีฉันทันในการเรียนแล้วก็ถูกบังคับให้เรียนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอาจารย์ชาที่แกเล่าว่าแกมีแกเล่าถึงอาจารย์คนหนึ่งเป็นป ร, รมาจารย์ด้านภาษาบาลีของอเมริกาชื่อแฮรรีวอรเรน ไฮเดอวเลนนี่น่าสนใจนะน่าสนใจกว่าชาวเซริเซ่เพราะว่าแกพิการตั้งแต่เกิดเดินก็ไม่ได้นั่งหลังตรงยังไม่ได้เลยตัวงอตั้งแต่เล็กต้องเอาน้ำร้อนมายืดตัวยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำแต่ว่าแกมีอุตสาหามากเรียนภาษาบาลีเองนะเรียนเองนะเรียนจนเป็นปรมาจารย์แต่ทั้งที่ไม่เคยออกไปเมืองนอกเลยออกไปได้ยังไงนะพิการแบบนี้ แล้วก็ทั้งที่ร่างกายก็ทุกทรมานมากแต่ก็เ ร, รียนภาษาบาลีอย่างเชี่ยวชาญลูกศิลูกหา้าของอาจารย์แฮร์รี่นี่เคยบ่นว่าเนี่ยทาไมเรียนภาษาบาลีมันยากแบบนี้ทรมานเหลือเกินนะที่เรียนภาษาบาลีอาจารย์บอลเลนก็บอกว่ามันต้องทุกทรมานเนี่ยถึงจะเรียนเก่งนะดูอย่างตัวแกนี่ทุกทรมานมากแต่ว่าสามารถจะเรียนได้จนปาดเปลือง จริงๆไม่ใช่แต่เรียนบาลีนะการปฏิบัติทำก็เหมือนกันนะหลายคนก็บอกว่าทรมานเหลือเกินนะในการปฏิบัตินะถ้าตอบอาจารย์วอร์เรนเขบอกว่าเนี่ยก็ต้องก็เพราะทุกทรมานนั่นเยถึงจะได้ปฏิบัติได้เก่งได้ดีอ่แล้วก็ระพร